สดีแฟนๆรายการพระเจอผีด้วยนะคะกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาทักทายกันในช่วงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าถ้าใครไม่เจอหรือว่าใครที่ไม่ประสบพบเห็นด้วยตางตัวเองเนี่ยก็ไม่มีวันเชื่อว่าผีหรือว่าสิ่งที่ แปลกที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เนี่ยมีอยู่จริงในโลกใบนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่เชื่อนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ดูถูกความเชื่อแล้วก็ไม่ว่าคนอื่นเขางมงายก็แล้วกันเนาะเว้นว่างนะคะเพื่อที่จะให้เกียรติหรือว่าเคารพเคารพความเชื่อซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าจากน้องอรวรัน ส่งมาให้พี่บีใน Facebook f แฟนเพจนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บีมีเรื่องเล่าสู่ฟังค่ะโดยส่วนตัวแล้วคุณอรวรันเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่ามีอยู่จริงแต่ว่าตัวของคุณอรวรันเองเนี่ยเป็นคนขวัญแข็งหรือว่าดวงแข็งนั่นเองเมื่อดวงแข็งนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะเจอเจอกับเรื่องพวกนี้บ่อยสักเท่าไหร่ทีนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว คุณอรวรันเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะที่ได้แยกจากกันตอนเรียนจบแต่พอประมาณ4ี่โมงกว่ า, ก, วาก็ฝนฟ้านี่ก็เริ่มตั้งเท้าแล้วนะคะคือท้องฟ้าเริ่มมืดมิดตัวของคุณอรวรันเองก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขอกลับก่อนละกันก่อนที่ฝนจะตกเพราะว่าบ้านห่างกันเนี่ยประมาณ7กิโลนะคะซึ่งพอออกจากบ้านเพื่อนมาท้องฟ้าก็ปูทางให้แบบมืดดําสนิทเลยคือคิดว่า นี่มันสี่โมงกว่าหรือว่า2ทุ่มคือด้วยความที่มืดฝนจะตกด้วยนะคะคือก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังฝนก็เริ่มตกค่ะแล้วก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งพอคุณอรวรันใกล้ถึงบ้านก็ประมาณ3กิโลเมตรก่อนถึงบ้านก็ต้องขี่รถผ่านทางป่าช้า ซึ่งติดถนนใหญ่สายตามันก็เหลือบไปเห็นเงาดําเป็นร่างของคนประมาณ 3-4 คนนะคะอยู่ตรงเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงขนาดใหญ่อยู่นั่งบ้างยืนบ้างแกว่งขาเล่นบ้างคุณอรวรันก็เลยรีบหันหน้ากลับมามองข้างหน้าแต่ว่าสายตาเจ้ากรรมค่ะดันไปเห็นบนต้นไม้ข้างหน้าอีกคือนั่งแกว่งขาห้อยขาอยู่นะคะแล้วก็แกว่งขาเล่นคราวนี้ทําให้น้ําตาไหลออกมา คือต้องยอมรับเลยว่ากลัวค่ะกลัวก็กลัวแหละหนาวก็หนาวในใจคิดอะไรไม่ออกก็เลยนึกถึงพ่อที่เสียไปแล้วว่าพ่อช่วยล่า ก, กรรมอันนี้เป็นภาษาเหนือนะคะก็คือหมายถึงช่วยหนูด้วย หลังจากนึกในใจค่ะอยู่ๆใจมันก็เริ่มอุ่นขึ้นเงาดำๆที่เห็นเนี่ยก็ไม่มีแล้วพอขี่รถมาสักพักหนึ่งก็เห็นแสงไฟของทางเข้าหมู่บ้านก็เลยเริ่มอุ่นใจขึ้นเรื่อยๆนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่า พระคุณของพ่อพระคุณของแม่ที่ลูกนับถือหรือว่าที่มีต่อลูกนั้นเนี่ยมันมีค่ามากมายมหาศาลไม่มีสิ่งไหนเท่าเทียมได้ก็เหมือนเกราะกําบังลูกให้พ้นจากภัยที่มองไม่เห็นและนั่นก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของหนูค่ะพี่บีขอบพระคุณด้วยนะคะสําหรับน้องอรวรันแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของพี่บีด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะคะเรื่อง ส, สแต่ว่าได้ใจความคุณผู้ฟังเวลาที่เราตกระกรรมลำบากเนี่ยเราจะนึกถึงใครเป็นคนแรกแน่นอนค่ะว่าร้อยทั้งร้อยเลยต้องนึกถึงคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ถูกไหมคะเพราะเราจะมีอยู่แค่สองคนนี้ที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องตัวอย่างเลยละค่ะที่เวลาที่เรากลัวอะไรสุดขีดแล้วเรานึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับรองเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าบุญคุณแล้วก็ความรักความเมตตาที่พระพรหมท่านมีต่อลูกเนี่ยจะต้องมาปกป้องแล้วก็มาปกปักรักษาลูกให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ ทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook เช่นกันนะคะโดยเจ้าของ Facebook นะคะที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าวันวานนะคะ คุณวันวันนี่บอกว่ามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดวัดหนึ่งแถวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้ไปเนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกในเจ้าของเรื่องคิดว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาก็ลองไปติดต่อที่วัดดูเขาก็บอกว่าจะบวชเลยไม่ได้นะคือจะบวชเลยทันทีไม่ได้ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมก่อนสักพักหนึ่งถึงจะบวชได้เพราะว่าตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ย น่าจะบวชนานพอสมควรนะคะทีนี้ก็เลยบวชพราหมค่ะถือศีลแปก่อนวันแรกที่เข้าไปนอนเนี่ยก็ได้ได้นอนอยู่เป็นกุฏิรวมนะคะคือแบบประมาณว่าห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีชีประวหรือว่าพราหมนุ่งขาวห่วมขาวเนี่ยะะประมาณ3คนต่อกุฏิหนึ่งหลังทีนี้เจ้าของเรื่องเองก็ได้เจอกับพี่คนหนึ่งค่ะเขาเข้ามาพร้อมๆ ก, กันกับตัวของเจ้าของเรื่องนี่แหละเขาชื่อพี่รุต พี่รุตเนีก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาหลายที่แล้วแกก็ไม่ค่อยจะกลัวอะไรคะก็เลยอบอกไปว่าลืมบอกไปว่าที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะแยกกันนะระหว่างฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะไปตึกซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยจะเป็นป่าเป็นต้นยางต้นใหญ่มากก็ประมาณ3มคนโอบนะคะต่อหนึ่งต้นเลยนะคือตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไร ก็เป็นธรรมดาของคนมาฝึกปฏิบัตินะเนาะใหม่ๆก็นั่งได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เดินบ้างอู้บ้างเป็นปกติทีนี้พอผ่านไปวันแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาสักพักหนึ่งค่ะน่าจะประมาณสามวัน ก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยแกเข้ามาอยู่ด้วยแกชื่อพี่แบงค์พี่แบงค์เนี่ยแกเป็นนักบอลสโมสรคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อละกันนะคะว่าสโมสร อ, อะไรแกก็มาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิเดียวกันกับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะแล้วก็พิรุท ด, ด้วยซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนิทอะไรกันมากมายแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเป็ น, นานๆค่ะก็เริ่มสนิทกันคราวนี้หาแตกไม่เป็นอันปฏิบัติกันเลยทีเดียว ความที่คุยกันก็ค่อนข้างถูกคอทั้งสามคนพระอาจารย์ที่คอยดูแลอยู่ตอนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็เห็นแหละนะคะก็เลยจับแยกออกไปจากกันก็คือให้อยู่กุฏิเดี่ยว หลังจากที่อยู่รวมกันไปแล้วเป็นกุฏิน็อกดาวห์ค่ะกุฏิน็อกดาวห์หลังเล็กๆกุฏินี้เรียงกันเลย48 49 50นะคะคือหมายเลขกุฏิพี่รุทได้อยู่หลังที่48ส่วนผมเนี่ยชื่อบิวนะคะคือเจ้าของเรื่องนี้ชื่อบิวคือคุณบิวได้อยู่หลังที่49พี่แบงค์อยู่หลังที่50ก็เลยย้ายกระเป๋าเข้ากุฏิใหม่พระอาจารย์ให้ย้ายไปคุณบิวก็วางกระเป๋า เก็บผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวไว้แล้วก็จัดที่นงที่นอนแล้วก็เอาพวกเสื้อกางเกงสีขาวนี่คือแขวนไว้ที่ดาวตากผ้าในห้องคุณบิวลืมบอกไปนิดนึงว่าตอนที่3คนได้มาอยู่กุฏิใหม่ ใ, หมใกล้ใกันเนี่ยกุฏิหมายเลข50ของพี่แบงค์คือมีสารพระภูมิเล็กๆอยู่ด้วยนะคะพี่แบงค์เป็นเป็นนักบอนแกก็เลยพูดประมาณว่าเนี่ยเี่ย บ้านผมกับพี่รุดเนี่ยไม่มีที่เสริมบ้านผมหลังในสุดมีที่เสริมด้วยเนี่ยเป็นสนามไร่กอล์ฟคือพูดออกแนวไม่ได้คิดอะไรอะ่ะคือแบบพูดเล่นกันน่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต่อมาค่ะมาตรงที่เอากระเป๋าไปวางก่อนละกันคือไปวางไว้ในห้องนอนแล้วเรียบร้อยเอาผ้าแขวนไว้ที่ราวตากตากผ้าในห้องเนี่ยนะคะซึ่งพอปฏิบัติธรรมเสร็จก็สวดมนต์ทวัดเย็นเสร็จมันก็จะมืดค่าหน่อยแล้วก็ถึงเวลานอน ก็เลยเข้าห้องมาจับลูกบิดประตูกําลังไขห้องขนเนี่ยลุกขึ้นตั้งแต่มือค่ะไปจนถึงหัวแล้วก็ลงมาที่เท้าเลยคือขนลุกทั้งตัวเลยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรพอเข้าไปในห้องผ้าที่แขวนไว้ที่ราวตากผ้าในห้องเนี่ยมันย้ายค่ะมันย้ายจากที่ตากมาอยู่ที่นอนกับพวกกระเป๋าด้วยผ้าเช็ดตัวด้วย ก็เลยคิดนะคะคุณบิวก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้านอนถ้าถ้านอนที่เนี่ยคือไม่รอดแน่โดนแน่นอนก็เลยไปนอนกับพี่แบงค์อยู่ที่กุฏิ50าข้างๆกันนี่แหละนะคะก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้พี่แบงค์ฟังว่าโดนอะไรซึ่งพี่แกก็บอกว่าให้นอนนอนนอนไปเหอะอ่ะอยากจะนอนก็นอนด้วยถ้ากลัวก็เลยอาบน้ําอาบท้าก็นอนเสร็จสับเรียบร้อยตื่นเช้ามาพระอาจารย์ก็มาเคาะระฆังประมาณตีสี่ครึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้ว ทีนี้ก็เห็นในกุฏิไฟมันเปิดพี่แบงค์อาบน้ำละคุณบิวก็เลยบอกพี่เข้าไปว่าพี่ตื่นไวนะพี่เนาะพี่เขาก็เลยมองหน้ามองหน้าแล้วแบบหน้าซีดซีนะบอกสั้นๆว่าอืมแค่นั้นแหละนะคะแล้วคุณบิวก็ออกมาทำวัดเช้ามากวาดวัดกวาดวัดเสร็จพอตอนเช้าชันเช้าเนี่ยแกถึงมาบอกว่า พี่อะยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเองไม่โดนผีหลอกแต่พี่อะโดนทั้งคืนเลยเขาบอกว่ามีผู้หญิงมากแกล้งเปิดปิดไฟมาดึงขาแต่ว่าเขาก็เห็นว่าคุณบิลเนี่ยก็คือเจ้าของเรื่องเนียหลับไม่มีอะไรเขาก็เลยยังสงสัยว่าเอ๊สงสัยเขาปากไม่ดีหรือเปล่าจะเอาที่ตรงที่ตั้งศาลพระภูมิเนี่ยเป็นสนามได้กอฟมั้งสองคนนี้ก็เลยถามพี่รุตค่ะว่าเจออะไรไหย ซึ่งพี่รุษแกกเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วแกก็บอกคุณบิวกับบอกคุณแบงค์ปบอกว่าแกเนี่ยไม่เจออะไรหรอกนะคะซึ่งตัวของคุณบิวเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะแกก็นึกอยู่เอ้พี่รุดเนี่ยแกจะเจอผีหรือเปล่าหรือว่าแกไม่เจอก็ไม่รู้อาจจะเจอหรือไม่บอกเราอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จก็จะมีเวลาพักอยู่นิดนึง ก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมต่อก็เข้าห้องมาทําธุระส่วนตัวพอทําธุระส่วนตัวเสร็จก็ไม่รู้อารมณ์ไหนค่ะอยู่ๆก็บอกว่าเนี่ยวันนี้แหละผมจะนอนที่กุฏิตัวเองไม่ไปนอนกับพี่แบงค์ละที่ที่พี่รุทเขายังไม่กลัวเราจะไปกลัวทําไมถูกไหมก็เลยเดินไปบอกพี่แบงค์ว่าพี่ๆผมจะนอนห้องตัวเองนะพี่นอนได้ไหมแกก็บอกว่านอนได้ไม่มีปัญหาคราวนี้เนี่ยก็มาถึงเวลาทําวัดเย็นค่ะคุณผู้ฟัง ทุกคนไปทําวัดเย็นกันเสร็จเรียบร้อยที่โบสถ์เพราะเห็นว่ามีพระธรรมทูตมาเยือนก็เลยได้ไปทําวัดที่ศาลาไม้ในป่ายางที่ลึกเข้าไปอีกศาลานี้จะอยู่เป็นหลังสุดเลยคืออยู่ติดกับกําแพงวัดนะคะพอเริ่มทําวัดเย็นก็รู้สึกเอ๊เหมือนมอีมีมือคนเนี่ยมาจับที่เอวคือไม่ได้มาจับแบบปุ๊บ อะไรแบบนี้แต่เป็นการค่อยๆลูบแล้วก็แตะเฉยๆอะไราประมาณนี้นะคะก็เลยคิดในใจไว้ทำวัดเย็นอยู่นะอย่ามากวนได้ไหมมือเนี่ยก็ค่อยๆถอยออกไปแบบช้าๆค่อยๆถอยนะคะถอยจนไม่รู้สึกคนลุกทั้งตัวเลยคุณบิวบอกพอทําวัดเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเข้ากุฏิวันนั้นก็ค่อนข้างเคลียมากค่ะก็เลยหลับไวไปหน่อยนึงพอหลับไปสักพักประมาณเคลิ้ม หลับแผลม่หลับแผลประมาณนี้แต่ว่าตาเนี่ยหลับแล้วนะคุณบิวบอกก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงแบบผิวเป็นสีผิวแบบคนไทยคือแบบน่าจะเป็นแบบขาวเหลืองอะไรงนี้ป่ะสีขมิน้นสีทองสีน้ำผึ้งประมาณนี้แหละนะคะคือผมยาวใส่สบายสีเลือดนกมายืนอยู่ปลายเท้าด้วยความที่สันดานไม่ดีไงดันไปทะลึง่งคิดว่าสวยไม่นะ่อยากเห็นหน้าจังประมาณนี้พอสิ้นความคิดเท่านั้นแหละคะ่ะเขาก็เงยหน้าขึ้นมาจริงๆ คือค่อยๆเงยเงยมาจ้องหน้าคุณบิวแล้วก็ยิ้มให้เป็นผู้หญิงผมยาวหน้าคมคิ้วเข้มทาปากสีแดงคือเรียกได้ว่าสวยเลยล่ะค่ะก็ยิ้มให้คุณบิวบอกผมแทบช็อกกลางอากาศเลยพี่ช็อกตอนอยู่ในพวังนั่นแหละคือรู้เรื่องอีกทีเนี่ยคือพี่รุลเนี่ยมาขอห้องว่าทําไมยังไม่ออกมาต้องทําวัดเช้าแล้วก็เลยรีบล้างหน้าแปรงฟันรีบออกมาทําวัดตื่นมานี่ยังจําได้อยู่เลยนะเรื่องเมื่อคือนนี่ยังคงชัดเจนอยู่ แล้วมาเช้าวันนั้นลาเลยไม่บวชมันละเดี๋ยวไปบวชที่วัดอื่นก็ได้คืออยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์คนอื่นเนี่ยเป็นยังไงต่ออันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังจากนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะทาง f a c e b o o k แฟนเพจพระเจอผีค่ะขอบคุณคุณบิวด้วยนะคะกับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ค่ะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกัน เรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวน่ากลัวของคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะที่ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านพักของพ่อที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ได้เจอเจอกันกับเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่ชีวิตนี้ไม่มีทางลืมเลย เธอบอกว่าวันนั้นเรามาถึงลบบุรีประมาณ10บโมงแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปหาพ่อที่บ้านก็ขับรถลัดเลา ะ, ะหาที่เที่ยวไปเรื่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้มาแบบนี้ก็แวะเที่ยวแวะกินกันจนบ่ายละค่ะก็เลยตัดสินใจกลับพอมาถึงบ้านก็สวัสดีคุณพ่อเรียบร้อยพูดคุยกันนิดหน่อยพ่อก็บอกว่าให้ขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้ลงมาทานข้าวพร้อมกันคือบ้านหลังนี้เนี่จะเป็นบ้านปูนสองชั้นนะคะอยู่ติดกับถนน ฝั่งตรงข้ามบ้านนี่จะเป็นป่าหญ้าและมีต้นก้ามปูใหญ่สูงตรงานอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 30-40 ถึงปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้บ้านหลังนี้ค่ะนอกจากพ่อแล้วเนี่ยก็ยังมีลุงจิตค่ะเป็นเพื่อนของพ่อแล้วก็ภรรยาของแกอาศัยอยู่ด้วย4คนนั่งทานข้าวไปพลางดูทีวีไปหลังทานข้าวเสร็จก็นั่งทานผลไม้ก็คุยกันสเพเหระจนเกือบสี่ทุ่มก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอน ลุงจิตกับภรรยาของแกนอนที่ชั้นล่างของบ้านค่ะส่วนเจ้าของเรื่องเนี่ยนอนห้องใกล้ๆ ก, กันกับห้องของพ่อซึ่งแต่เดิมห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของลูกชายลุงจิตที่ตอนนี้เขาไปทำงานอยู่ที่เมืองนอกนะคะนานๆเขาจะกลับมาบ้านสักทีหนึ่งหลังจากที่เข้ามาในห้องอได้สักพักหนึ่งพ่อก็มาเคาะประตูเรียกก็เปิดประตูออกไปถามพ่อบอกมีอะไรหรอพ่อ พ่อก็บอกคืนนี้นอนที่นี่อย่าลืมสวดมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะแล้วถ้าดึกๆได้ยินเสียงอะไรผิดปกติก็ห้ามลุกมาดูห้ามทักห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมค่อนข้างแปลกใจนะเมือ่อพ่อพูดแบบนี้แต่ก็ได้แต่พยักหน้ารับละค่ะแม้ว่าในใจตอนนั้นจะอยากจะถามออกไปแต่ก็พอจะรู้ว่าพ่อคงไม่บอก หรือจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้พ่ออาจจะแค่มาเตือนตามปกติเพราะพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ากลัวผีแล้วก็ชอบมองเห็นอะไรแปลกๆด้วยทีนี้พอเที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ยค่ะเจ้าของเรื่องก็นั่งดูทีวีวด้วยความที่แปลกที่ก็เลยทำให้นอนไม่หลับก็เลยนอนดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยบวกกับนอนคิดว่าเออพรุ่งนี้เนี่ยจะไปไหนอีกดีทีนี้มา ทั้งทีเนี่ยก็ต้องเที่ยวให้คุ้มถูกไหมคะแล้วก็พลอยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตีสองละรู้สึกปวดท้องเบาอยากเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันดันอยู่ข้างล่างต้องออกจากบ้านแล้วก็เดินลงไปนอกห้องนี่คือไม่มืดอย่างที่คิดนะคงจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งของเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านพอดีมันก็เลยทาให้ความสว่างเนี่ยสาดเข้ามาถึงในบ้านและระหว่างที่เรากาลังเดินลงไปบันไดชั้นล่าง คือตอนนั้นเนี่ยยือนอยู่ตรงทางเชื่อมบันไดค่ะจากตรงนี้ก็มองผ่านหน้าต่างออกไปยังถนนหน้าบ้านตำแหน่งของหน้าต่างที่ยือนอยู่มันก็ยเยื้องกันกับต้นก้ามปูเล็กน้อยและระหว่างที่สอดสายสายตามองไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะมายืนสอดส่องอะไรในเวลานี้สงสัยตัวเองเหมือนกัน ทีนี้ก็เห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเดินอยู่ข้างทางคือแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละคือนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อยืดสีขาวรองเท้าแตะซึ่งตอนนั้นก็ในใจก็คิดว่าเออคงเป็นชาวบ้านละแวกนี้แหละที่อาจจะออกมาหากบหาเกียดไปขายหรือไม่ก็อาจจะไปไหนแล้วเพิ่งกลับมาก็ได้พอเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้นึกสนใจอะไรกาลังจะก้าวขาเดินลงบันไดต่อไปก็มีเสียงหมาค่ะ ทั้งหอนทั้งเหา่าดังต่อกันมาเป็นท อ, ทอดๆระงมไปทั่วจากที่จะก้าวขาลงบันไดชั้นล่างตอนนี้กลายเป็นเปลี่ยนใจค่ะไม่โปงไม่ไปมันละห้องนงห้องน้ําอั้นไว้ดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะได้เดินกลับขึ้นชั้นสองคุณรู้ฟังเหมือนมีบางอย่างมันมาดนใจให้หันกลับไปมองที่ต้นก้ามปูอีกครั้งและสิ่งที่เห็นค่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นก้ามปูและกําลังจะปี น, ข, นปขึ้นไปข้างบนต้นก้ามปูโอ้โห ตกใจสิคะในสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าด้วยความอยากรู้มันก็ยังคงสั่งการให้ยืนมองอย่างไม่คลาดสายตาจนเผลอหลุดปากไปบอกปีนขึ้นไปทําไมวะและไม่นานค่ะคําตอบก็มาถึงเมื่อผู้หญิงคนนั้นนะคะที่ปีนขึ้นไปบนต้นก้ามปูสําเร็จเนี่ยซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วเพราะว่าต้นก้ามปูเนี่ยค่อนข้างจะมืดจนมองไม่ค่อยชัดว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่บริเวณไหนของต้นก้ามปู หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีค่ะก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงนั้นดังและแหลมมากเลยตอนนั้นเนี่ยสายตาก็ยังคงจับจ้องที่ต้นก้ามปูเสียงกรีดร้องหยุดไปและอยู่ๆค่ะก็มีร่า ง, งคนเนี่ยร่วงลงมาจากต้นก้ามปูเพียงแต่ว่าร่างนั้นไม่ได้ร่วงลงมาที่พื้นร่างนั้นห้อยต่องแต่งอยู่กับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งของต้นก้ามปูโดยมีสิ่งหนึ่งรัดอยู่ที่คอของร่างนั้น แล้วเสียงกรีดร้องก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหมาหอนต่อเนื่องตกใจอีกทีนึงก็มาอยู่ที่ห้องรับแขกตอนเที่ยงของอีกวันแล้วนะคะซึ่งคำแรกที่ได้ยินจากพ่อพ่อบอกเจอจนได้นะเนี่ยขนาดเตือนแล้ว หลังจากที่พูดคุยกันก็เลยจับใจความได้ว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายที่ต้นก้ามปูเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพราะว่าผัวเขาเนี่ยหนีไปมีเมียน้อยทิ้งหนี้สินไว้ให้รับผิดชอบเยอะแยะมากมายก็คงจะเครียดหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องจบแบบนี้พ่อบอกว่าจะได้ยินเสียงกรีดร้องนี้ทุกคืนตั้งแต่เกิดเรื่องแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยออกมาดู เพราะว่าพ่อรู้ว่ามันคืออะไรอีกอย่างคือวิญญาณเขาแรงมากขนาดเอาพระมาทำพิธียังไม่ไปเลยลองนึกภาพคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราปวดท้องฉี่เนี่ยเรากำลังเดินออกไปหลังบ้านนี่แหละไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คือมองเห็นแล้วอยู่ๆคือมีคนกระโดดลงมาแบบห้อยหัวอยู่ตรงนั้นนี่หูหูหเนาะ น่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องวิญญาณค่ะที่ตายวนเวียนตายแล้วตายอีกเนะคะ่ะเขาเรียกว่าอัตตะวินิบากกรรมก็คือการฆ่าตัวตายก่อนเวลาจะหมดกรรมหรือว่าก่อนที่จะสิ้นอายุขยนี่แหละนะคะตามความเชื่อของทางพุทธศาสนานะบอกว่าจะต้องวนเวียนกลับมาตายซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงเวลาตายของตัวเองจริงๆ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากว่าใครที่ชื่นชอบและอยากจะให้กำลังใจบีเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปของเราออกไปได้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะเป็นรูประถังเล็กๆนี่แหละนะคะเพื่อให้กาลังใจวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีค่ะ